1. มีข้อควรทราบเพิ่มเติมให้เห็นภาพกว้างออกไปดังนี้ 1. ทุกคู่กับกิจคือปริญญาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนั้นทุก์และธรรมทั้งหลายที่อยู่ในจำพวกปัญหาหรือเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาจึงรวมเรียกว่าปริญญายาธรรมธรรมที่ควรกำหนดรู้ 2. ส, สมุ ท, ทยัย คู่กับกิจคือปหานะในฐานะเป็นสิ่งที่ควรละหรือกำจัดดังนั้นตัณหาและทรรมจำพวกที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เช่นอวิชชาโลภะโทสะอุปาทานเป็นต้นจึงเรียกรวมว่าปหาตัปปธรรมทรรมที่ควรละ 3. นิโรธคู่กับกิจคือสัจจิกิริยา ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือควรบรรลุดังนั้นนิพพานและธรรมจาพวกที่เป็นจุดหมายหรือเป็นที่แก้ปัญหาจึงเรียกรวมว่าสัจจิกาตับพระธรรมธรรมที่ควรทาให้แจ้ง 4. มักคู่กับกิจคือภาวนาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรเจริญคือปฏิบัติ ด, ดำเนินการดังนั้น มักคามีองแปดและทำทั้งหลายที่เป็นพวกข้อปฏิบัติเป็นวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายจึงรวมเรียกว่าพาเวตับพระธรรมธรรมที่ควรเจริญธรรมทั้งหมดหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีย่อมจัดรวมเข้าในประเภทใดประเภทหนึ่งแห่งธรรมสี่จำพวกนี้ไม่มีเหลือในมักคาแห่งความดับทุกหรือปฏิบัติการแก้ปัญหาทั้งหลาย ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดตั้งแต่ภายนอกจนถึงลึกซึ้งภายในผู้ศึกษาที่สนใจอาจคอยจับทมที่ตนเกี่ยวข้องจัดเข้าในธรรมสี่ประเภทนี้ได้เสมอเช่นในการปฏิบัติขั้นถึงแก่นเอาแต่สาระพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงธรรมสี่ประเภทไว้ในสลายตนะวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันนาดดังนี้หนึ่งทุก ที่เรียกรวมว่าปริ ญ, ญญาธรรมได้แก่อุปาทานขันห้า 2. สมุทัยที่เรียกรวมว่าปหาตัปปะธรรมได้แก่อวิชชาและภวะตันหา 3. นิโรธที่เรียกรวมว่าสัจจิกาตปปะธรรมได้แก่วิชชาและวิมุตสี่มรัก ที่เรียกรวมว่าพาเวตปะธรรมได้แก่สมถะและวิปัสนาในบาลีนั้นท่านเรียงพาเวตปะธรรมคือสมถะและวิปัสนาไว้ก่อนสัจจิกาตปะธรรมคือวิชาและวิมุตติแต่ในที่นี้จัดเรียงสับตรงข้ามเพื่อให้เข้าลําดับของอริยสัจ4ี